เขาชอฟังเธอมาตลอดก็เพราะว่าเขารักเธอที่สุดงไงโอ้ยอตัวเล็กของเขาโตเต็มไวที่ผ่านมานะ่พูดจริงๆนะครับเขาคน